คำดับนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงสดับเสียงคร่ำครวญของพระนางจันทาเทวีนั้นทรงทราบเรื่องนั้นแล้วในขณะนั้นนั่นเองช่วยเอาคอ้อนเหล็กอันลุกโผล่แล้วสเสด็จมาขู่พระราชาแล้วให้ปล่อยคนเหล่านั้นทั้งหมดพระศาสดาเมื่อทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่า อามนุษย์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของพระนางจันทาเทวีนั้นแล้วทรงกวัดแกว่งคอ้อนเหล็กยังความกลัวให้เกิดแก่พระเจ้าเอกกราชนั้นแล้วได้ตรัสกับพระราชาว่าพระราชากาลีท่านจงรู้ไว้อย่าให้เราตีเสียงของท่านด้วยคอ้อนเหล็กนี้ท่าน่าได้ฆ่าบุตรองใหญ่ผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องอาจดังราชสี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 เมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่ประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นทุกคนเอาก้อนดินคนละก้อนทุ่มลงการฆ่าซึ่งกันดหาละปุโรหิตได้มีแล้วบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอะมนุษย์อะมนุษย์โสได้แก่ท้าศ ก, กเทวราชคําว่าจงรู้ไว้พุทธชัดสุ ได้แก่จงรู้คือจงกำหนดคำว่าพระ ร, ราชากาลีราชกาลีได้แก่แน่พระราชาผู้กาลกินีพระราชาผู้ลามกคำว่าอย่าให้เราของท่านมาเตหังความว่าแน่พระราชาชั่วท่านจงรู้อย่าให้เราตีคือประหารกระหม่อมของท่าน คำว่าท่านเคยเห็นที่ไหนโกเตติโถความว่าใครที่ไหนที่ท่านเคยเห็นจับว่าหิในคําว่าสักกามาหิคนผู้ปรารถนาสวรรค์นี้เป็นเพียงนิบาศอธิบายว่าผู้ใคร่ต่อสวรรค์คือผู้ปรารถนาสวรรค์คําว่าได้ฟังพระดํารัสตังสุตวา ความว่าภิกสุทั้งหลายกันดหาละปุโรหิตฟังคําของเท้าสักกะเทวราชแล้วคาว่ารูปอันนาอัศจรรย์อภ พ, พูตมิทังความว่าอันหนึ่งพระราชาทรงเห็นแล้วซึ่งการแสดงการปรากฏของเท้าสักกะเทวราชนี้อันนาอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อนเลยคาว่าเหมือนยะถาตัง ความว่าให้ปลดเปลื้องสัตว์ทั้งปวงเหมือนเปลื้องคนหาความชั่วมิได้ฉนั้นข้อว่าเอาก้อนดินคนละก้อนทุ่มลงเอเกกะเลตุมะกังสุความว่าภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายทั้งปวงมีประเมาณเท่าใดประชุมกันแทบใกล้ชิดหลุมยันนั้นกระทาเสียงเออ ก, กเกิึกได้ให้การประหารกันดหาละปุโรหิตด้วยก้อนดินคนละก้อน คำว่าการฆ่าเอสะวะโทความว่านั่นได้เป็นการฆ่ากันดหาละปุโรหิตอธิบายว่าให้กันดหาละปุโรหิตถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองส่วนมหาชนครั้นฆ่ากันดหาละพราหมณ์นั้นแล้วก็เริ่มเพื่อจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระราชบิดาไว้แล้วมิได้ประทานให้เขาฆ่า มหาชนกล่าวว่าเราจะให้แต่ชีวิตเท่านั้นแก่พระราชาชั่วนั้นแต่พวกเราจะไม่ยอมให้ฉัดและที่อยู่อาศัยในพระนครแก่พระราชานั้นเราจะทำพระราชาให้เป็นคนจันทรานแล้วให้ไปอยู่เสียภายนอกพระนครแล้วก็ให้นำออกซึ่งเครื่องทรงสําหรับพระราชาให้ทรงผ้าย้อมด้วยน้าฝาดให้พวกพระเศียนด้วยท่อนผ้าย้อมด้วยขมิ้น กระทำให้เป็นจันทานแล้วลงไปสู่ที่อยู่ของคนจันทานส่วนคนพวกใดบูชายันอันประกอบด้วยการฆ่าปัสสุสัตว์ก็ดีใช้ให้บูชาก็ดีปลอยยินดีตามก็ดีชนเหล่านั้นได้เป็นคนมีนรกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทั้งสิ้นทีเดียวพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่า คนกระทากรรมชั่วต้องเข้าถึงนรกทั้งหมดชั้นใดคนกระทากรรมชั่วแล้วจากโลกนี้ไปก็ไม่พึงได้การไปสู่สุคติชั้นนั้นแม้มหาชนเหล่านั้นครั้นนำคนกาลกินีทั้งสองนั้นออกไปก็นำเครื่องอุปกรณ์แห่งพิธีอภิเศกมาแล้วทรงอภิเศกพระจันทกุมารในที่นั้นนั่นเอง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 ประชุมกันอภิเสก พ, <amusement assic> พระจันทกุมารเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้ที่มาประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นคือราชรบุรุษทั้งหลายประชุมพร้อมกันต่างแกลงผ้าและโบกธงเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วผู้มาประชุมอยู่ณที่นั้นในการนั้นคือราชกัญญาทั้งหลายประชุมพร้อมกัน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 ราชาปริษาจะได้แก่ปายบริษัทแห่งพระราชาทั้งหลายก็ได้ถวายน้าอภิเศกพระจันทกุมาร น, นั้นด้วยสังทั้งสามคำว่าราชกัญญาทั้งหลายราชกัญญาโยได้แก่แมคติยราชธิดาทั้งหลายก็ถวายน้าอภิเศกพระจันทกุมารคำว่าเทพบริษัทเทวปริสา ได้แก่เท้าสักกะเทวราชพร้อมด้วยเทพบริษัทธก็ถือสังวิชัยยุทธ์ถวายน้ําอภิเศกคําว่าเทพกัญญาเทวกัญญาโยได้แก่เทพธิดาผู้เกิดดีแล้วพร้อมด้วยเทพกัญญาทั้งหลายได้ถวายน้ําอภิเศกคําว่าแกงผ้าและโบกทงเจลุกเข ป, ปะมะกรุงความว่า ได้ให้ยกธงทั้งหลายพร้อมผ้าสีต่างๆแบ่งซึ่งผ้าห่มทั้งหลายทําให้เป็นแผ่นผ้าในอากาศคําว่าราชบุรุษทั้งหลายราชปริสาจะได้แก่ราชบุรุษทั้งหลายและอีกสามเหล่าคือราชกัญญาเทพบริษัทธเทพกัญญาซึ่งเป็นผู้กระทําอภิเสกพระจันทกุมารรวมเป็นสี่หมู่ด้วยกัน ได้กระทําการแกว่งโบกผ้าและทงนั่นแหลเพราะว่าตางก็รื่นรมยินดีพวกเขาได้ประกาศอานันทิโนอะหุวาทิงสุได้แก่คนทั้งหลายได้เป็นผู้บันเทิงทั่วบันเทิงยิ่งแล้วคำว่าความยินดีสเสด็จเข้าสู่พระนครนันทิประเวสนครังความว่า ในเวลาที่ทุกคนให้ยกฉัดแกพระจันทกุมารแล้วเชิญเสด็จเข้าสู่พระนครคนทั้งหลายผู้บันเทิงร่าเริงทั่วแล้วก็พากันตีกลองอานันทะเพรีร้องประกาศไปทั่วพระนครถามว่าเพื่อประโยชน์อะไรแกว่าพระจันทกุมารของเราทั้งหลายพ้นแล้วจากเครื่องจองจาฉันใด คนทั้งปวงหลุดพ้นจากการจองจำฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่าได้ประกาศให้สัตว์หลุดพ้นจากเครื่องจองจำพันธะโมคโคอโคสถะดังนี้ลำดับนั้นแหลพระโพธิสัตว์ทรงเริ่มตั้งวัดปฏิบัติต่อพระราชบิดาพระราชบิดาไม่ได้เสด็จเข้าสู่พระนครในการเมื่อสเสบียงอาหารสิ้นไป พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปเพื่อประโยชน์แก่กิจต่างๆมีการเล่นในสวนเป็นต้นก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดานั้นแต่ก็มิได้ถวายบังคมป่ายพระเจ้าเอกราชกระทําอัญชลีและตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าค่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาต้องประสงค์ด้วยสิ่งใด พระเจ้าเอกราจึงทูลความปรารถนาให้ทราบ พ, พระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายค่าจับใจ่ายใช้สอยแก่พระราชบิดาพระโพธิสัตว์นั้นครองราชสมบัติโดยเที่ยงธรรมแล้วในการเป็นที่สุดแห่งอายุก็ได้เสด็จไปยังเทวโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตพยายามเพื่อฆ่าคนเป็นอันมากเพราะอาศัยเราแม้ผู้เดียวดังนี้แล้วจึงทรงประชุมชาดกการดหาละพรามในการนั้นได้เป็นเทวทัตในบัดนี้พระนางโคตมีเทวีในการนั้นเป็นพระมหามายาในบัดนี้ พระนางจันทาเทวีในการนั้นเป็นราหุลมารดาในบัดนี้พระวสุละในการนั้นเป็นพระราหุลในบัดนี้พระเสลากุมาลีในการนั้นเป็นอุบบรรนาในบัดนี้พระสุระกุมารในการนั้นเป็นอานน์ในบัดนี้พระรามะโคตตะในการนั้นเป็นกัสปะในบัดนี้ พระพัฒเสณในการนั้นเป็นโมฆาลานะในบัดนี้พระสุริยกุมารในการนั้นเป็นสารีบุตรในบัดนี้ท้าวศักกะเทวราชในการนั้นเป็นพระอนุรุธทธะในบัดนี้บริษัทในการนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ส่วนพระจันทกุมารในการนั้นคือเราสัมมาสัมพุทธะดังนี้แล อัตถกาถาจำทกมุมานชาดกที่เจ็ดจบ